บอเวลาป่วยหนักนะฟังสวดพุทธชงแล้วหายป่วยมีหลายองค์หายป่วยแล้วมหากัสปะป่ยวยพุทธเจ้าสวดแล้วพุทธเจ้าอาพาธหนักนะรู้สึกพระจุลทะสวดฟังแล้วหายเพราะอะไรเกิดปิติแต่ทําไมเราฟังพุทธชงไม่มีปิติเราไม่รู้จักโพชทธชงแต่ยังไม่เคยเห็นความดีความงามความสง่าของพชทธชงนะ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 เราเป็นโง่เองตอนไปดูไม่ดูให้ดีนะเราต้องรับกรรมของเราไปอะไรลราต้องมีผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงๆที่มาบ่อยๆอะค่ะเขาเป็นฮ่องกงอ่ะค่ะือเขาเป็นคนฮ่องกงอ่ะค่ะก็เอภาษาไทยก็ไม่ค่อยเก่งมาเรียนรู้จากตอนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยค่ะแล้วก็ ตอนเนี้ยเขาได้อพย์ไลน์เรสิเดนซ์เป็นคนไทยคือจริงๆก็เป็นอเมริกันนะคะ่ะแล้วเ อ, อคนสัมภาษณ์ถามเขาว่าทําไมถึงอยากอยู่เมืองไทยเขาก็อยากเรียนธรรมะจากหลวงพอะะ่อค่ะคนสัมภาษณ์เลยไปต่อไม่เป็นคือก็คุคยแล้วคุยแล้วไม่รู้แตะเออ ก, ก็ก็คุยกันเรื่องธรรมะอีกนิดหน่อยนะคะ่ะเขาก็บอกว่าเขาอยากอยู่เมืองไทยเพราะพ่อหลวงพ่อค่ะดีนะอ้าร้อหกสิบ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 เคยเห็นสุนัขที่บ้านนะคะอยู่ๆเราไปเห็นหน้าเขาเป็นคนนะคะเออช่างมันเถอะเราตาฝาดไป <c oughs> คนกับหมาก็คล้ายๆกัน <c oughs> มีปากมีจมูกมีตาสองตาสองหูคล้ายๆกัน <adores> เห็นชัดเลยคะ่ะ<ม>เห็นแวบหน<อ>ึ่งไปสนใจมันเห็นหน้าเขาเป็นคนนะคะจิตเราก็กลัวเหมือนกับอุยเราไปทาผิดไปแบบไปแกล้งเขาไปเยอะอะค่ะ